พุทธศาสนาผู้ไม่มีวาสนาจะไม่เคารพเลื่อมใสนี้คัมภีร์ในพระพุทธเจ้าพระอรหรันต์ท่านทรงคัมภีร์ในและบรรดาประหลาดทั้งหลายท่านก็มาจดจาวรึกเอาจากคัมภีร์ในนี้ไปเป็นตำราไอเรียนตำราแล้วเข้ามาปฏิบัติจะเจอธรรมในคัมภีร์ในที่นั่นจากตำรานั่นแหละ ความหมายว่าอย่างนั้นแต่นี้พวกเราไม่เป็นอย่างนั้นทุกวันนี้มันเรียนคำภีนอกเลยเอาคำพีนอกเป็นมรรคเป็นผลเอาความจดความจำเป็นมรรคนิพพานมันจะเป็นมาจากที่ไหนประสาความจำสัญญาเฉยๆต้องเอานั้นออกมาปฏิบัติสิเรียนแล้วได้ชั้นไหนภูมิใดก็เอาชั้นเอาภูมิมาเป็นมรรคเป็นผล กิเลสหลอกไปเลยว่าได้ชั้นนั้นชั้นนี้ชั้นขี้หมาอะไรเราอยากว่าอย่างนี้นะฉันกิเลสไม่ได้ตะเลอกปลอกเปิกจําได้เฉยๆเอาความจําได้มาเป็นมรรคผลนิพพานมีอย่างเหรอเรียนอย่างนั้นก็เรียนเพื่อลงละสิเรียนเพื่อรู้จําได้แล้วเอามาปฏิบัติตามสิ่งที่เรียนมารู้มานั้นนั่นถึงถูกต้องนะ เดี๋ยวนี้มันเป็นนอนแท้กระดาษไปหมดแล้วนะพวกเราคมภีร์นอนแทกกระดาษไม่ว่าในวัดในวาในบ้านในเรือนมีคำภีรเต็มบ้านเต็มเมืองแต่มันไม่สนใจมันเป็นนอนแท้กระดาษเอามาก็เอามาโก็โก้ไว้อย่างนั้นแหละมาวางว่าข่าได้คำภีรนั้นคำภีรนี้มาไว้ใส่ตู้ใส่อีบโชว์กันเป็นบ้าไอ้กิเลศหลอกหน้าร้านอยู่ตลอดเวลานี่เห็นไหม กิเลส ต, ตามไปเรารู้ไหมเอาคำภีมาอวดโอ้กันอยู่ในบ้านในเรือนตามกุฏิกุฏะอะไรเต็มไปหมดมีแต่คำภีแต่คนไม่ได้สนใจปฏิบัติมันก็เป็นนอนแทกกระดาษละสิถ้าตั้งใจปฏิบัติตามที่สอนนั้นแล้วไม่เรียกว่านอนแท้กระดาษปริยัติปฏิบัติ ปฏิเวธปริยัตยได้แก่การศึกษาเล่าเรียนมาแล้วปฏิบัติทำหน้าที่ดำเนินปฏิบัติตามที่สอนไว้นั้นปฏิเวธคือผลเกิดมากน้อยจะเกิดขึ้นโดยลำดับจากการปฏิบัติที่สืบเนื่องมาจากปริยัตยนี่ทำท่านสอนไว้สามประเภทนะคือปริยัตยหนึ่งปฏิบัติหนึ่งปฏิเวทหนึ่ง ทำทั้งสามประเภทนี้เกี่ยวเนื่องกันโดยลําดับจึงเรียกว่าเป็นศาสนาที่สมบูรณ์แบบเต็มบาทเต็มเต่งถ้ามีแต่ปริยัตเฉยๆไม่ได้เต็มบาทเต็มเต่งอะไรและแต่ความจําเป็นมรรคผลนิพพานที่ไหนต้องมาปฏิบัติมาปฏิบัติแล้วผลที่จะเกิดจากปฏิบัติแยกกันไม่ออกนี่ล่ะเกี่ยวยงกันอย่างนี้ปริยัติ พุธศาสนาจริงๆเป็นอย่างนี้เราอยากเป็นบ้าเอาคำพีมาเป็นมรรคผลนิพพานเรียนมาได้กอไก่กอก า, ก, าก็ว่าเป็นมรรคผลนิพพานชั้นนั้นชั้นนี้เลยเป็นบ้าไปใหญ่ให้กิเลสหลอกไปเรื่อยนี่กิเลสสวมรอยรู้ไหมถ้าตีหัวกิเลสเรียนแล้วต้องมาปฏิบัติตามตีหัวกิเลสตามธรรมที่ท่านสอนไว้สิ นิเรียนมาแล้วเอาความจดความจำมาเป็นมรรคผลนิพพานไปเสียไม่ไดีเรื่องได้ราวอะไรมันทำใม้เสียไปอย่างนี้แหละชาวพุทธเราใครคำหนึงปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามีไหมเนี่ยมันมีตั้งแต่คำภีไม่มีใครรู้ยิ่งกว่าพวกคลางกิเลสนะคลางกิเลสมันจะอวดรู้อวดฉลาดสุดขิดของมันให้มันอ่อนข้อ มันไม่อ่อนแหละเรื่องกิเลสเขาไปจับยาติใส่คุกใส่ตารางมันยังถือว่าบริสุทธิ์ถูกขาวเรื่องต่างหากเห็นไหมกิเลสมันยอมเมื่อไรมันลมเมื่อไรมันอยู่ในหัวใจเราเป็นอย่างนั้นละนะไม่ได้รู้มันง่ายๆนะกิเลสเวลาภากปฏิบัติภากธรรมะนี้เอามันปิดตัวมันไว้ที่ไหนธรรมะเปิดออกเปิดออก เนี่ยแหะจึงได้พูดถึงเรื่องว่าภาษาของกิเลสเป็นภาษาที่ไพเราะเพราะ p r ง n g ปิดความสกปรกโศมุมไว้อย่างสุดยอดเลยไม่มีภาษาใดกิริยาใดที่จะนิ่งนวลยิ่งกว่ากิริยาของกิเลสหลอกตาโลกผู้ตาบอดตาบอดด้วยถูกหลอกด้วยเวลาทำจับเข้าไปนี้ทำเปิดออกมาทีนี้กิเลสมันก็ปิดป้องละสิ โอท่านพูดดุดาว่ากล่าวท่านพูดหยาบโลนท่านพูดสขโปรกสขปรกตัวกิเลสมันไม่ให้แตกความสุขปรกของมันธรรมนี้เป็นน้ำที่สะอาดชะล้างเข้าไปมันหาว่าธรรมานีหยาบโลนสุขโปรกโซมลมเห็นไหมฟังเอาเสียทุกคนฟังให้ดีนะเนี่ยลละกิเลสเป็นอย่างนั้น ธรรมะเข้าตรงไหนกิเลสแตกือแตกือโจมตีธรรมหาวาธรรมนี้พูดอย่าพูดโลนพูดดุพูดด่ดดาว่าไปทุกแบบทุกฉบับละ่ะกิเลสมันจะหาเรื่องแต่ธรรมท่านไม่หาท่านพูดตามความจริงสกป ร, รกตรงไหนเทน้ํ า, นนาที่สะอาดคือธรรมลงตรงนั้นตรงนั้นกิเลสแตกือแตกือจำเมานะ เพราะฉะนั้นภาษาของธรรมกับภาษาของกิเลสจึงไม่ได้เหมือนกันภาษาของกิเลสมีแต่ภาษาไัย ร, ราะพร้อพริ้งประดับหน้าร้านทั้งนั้นภาษาธรรมนี้เปิดออกไปหน้าร้านมันมีอะไรอยู่ในร้านนั่นนะ่ะเปิดออกไปก็เห็นละสิขีหมูขี้หมาที่มันเอาพมานกันเอาไว้ขีหมูขี้หมาอยู่ข้างใน ทำเปิดผ้ามานเข้าไปก็เห็นหมดขี้หมูขี้หมาเห็นโทษเห็นกรรมของมันนี่มันสร้างความสุขโปรกลามกอย่างลี้ลับไว้ในหัวใจของสัตว์โดยเอาม่านความสะอาดสวยงามประกาศไว้ข้างหน้าให้คนไปชมข้างหน้าขี้หมูขี้หมาอยู่ในร้านไม่ให้ชมเวลาทำเปิดเข้าไปนี้เห็นหมดนั่นละ่ะภาษาธรรมกับภาษากิเลสจึงไม่ได้เหมือนกันเป็นคนละโลกเลย นี่แหละผู้ปฏิบัติธรรมท่านจึงไม่สนใจกับอะไรยิ่งกว่าความสุขโปรกอยู่ที่ไหนฟาดเข้าตรงนั้นตรงนั้นนี่ความขี้เกียจขี้คร้านมันเต็มอัอกฟาดมันออกบ้างสิหรือจะปล่อยให้มันแช่อยู่งั้นเหรอความขี้เกียจขี้คร้านความอ่อนแอทอแท้เหลวไหลมันอยู่ในนี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเต็มอยู่ในหัวใจทําแชกเข้าไม่ได้ เพราะฉะนั้นกาเขอหาความเพียร น, นี้อย่างน้อยเหมือนจูงหมาใส่ฝนร้องแงกๆอยู่ในวัดป่าบ้านตาดเสียงมันลั่นอยู่โอ๊ยเรารำคาญไก่เขาก็คันเป็นแบบหนึ่งของเขาแต่คนคันแบบบ้าสิแบบขี้เกียจขีค้คร้านวันนี้เห น, นื่อยเมื่อยล้าวันนี้ไม่สบายผมมันเจ็บมันปวดที่ไหนวันนี้ปวดหัวมันว่า เอาหัวเข้าไปใส่เลยนะผมมันไม่ได้เจ็บปวดละ่ะอยู่บนหัวคนแต่มันเอาหัวโอ๊ยวันนี้ปวดหัวมันปวดหมดทั้งผมมันนั่นแหละเข้าใจไหมนั่นละ่ะกิเลสมันพอกเอาพอกเอาไม่รู้ตัวนะพูดแล้วเราสลดสังเวชจริงๆนะไม่ใช่พูดธรรมดาถอดออกมาพูดได้เห็นชัดๆเนี่ยหลอกไปไหนหลอกโลก มาดูกิเลสกับดูธรรมมันเข้ากันไม่ได้เลยเนี่ยละ่ะพระพุทธเจ้าท้อพระไทยเรียกให้มันชัดก็เรียกว่าจะดูไม่ได้ท่านก็ทนสั่งสอนสัตว์โลกก็เพราะเห็นยังมีเช่นดีอยู่ในความสุขโปรกงโสมมมีมากอยู่ท่านก็คุยเคียขุดค้นเหม็นก็ทนเอาอย่างนั้นอะไรก็ทนขมก็กลืนไปอย่างนั้นแหละ นี่ก็เป็นอย่างนั้นมันเหมือนกันสอนพี่น้องทั้งหลายระวังอะไรเราไม่ได้วังอะไรนะเราพอทุกสิ่งทุกอย่างแล้วในการสอนสอนด้วยความพอทุกอย่างมีแต่ความเมตตาครอบตลอดเวลาเลยสอนเพื่อให้รู้เนื้อรู้ตัวให้ดีดให้ดินนะกิเลสไม่ใช่ของเล่นนะมันตีตัวมาเป็นมิจฉาทิฏ ไม่มีใครสนิทติดจมยิ่งกว่ากิเลสกับเราติดกันมันเอาให้จมขนาดนั้นไม่ให้รู้ตัวว่ามันเป็นภัยนะทำจับเข้าปับ๊บเห็นหมดเห็นหมดนั่นตีออกตีออกเราก็แย่งไว้สิโอ้ยวันนี้กำลังเหนื่อยท่านสอนให้ขยันจะขยันได้ยังไงคนกำลังจะตายมันเหนื่อยนั่นเห็นไหม อิเลสมันแย่งมันขัดมันแย้งกันอย่างนั้นดูเอาอยู่ตามนี้ไม่อดไม่อยากแหละถ้าดูไม่เห็นก็มาดูหลวงตาบัวเนี่ยตัวสำคัญที่นำมาพูดกับพี่น้องทั้งหลายฟัดกับสิ่งเหล่านี้มาแล้วจึงมาพูดพูดไม่ได้ยังไง